อสําหรับเรื่องของบุคคลตัวอย่างวันนี้จากความจริงเดิมทีเดียวผมตั้งใจไว้ว่าจะขอจบเรื่องการตายไปสักทีหนึ่งแต่แต่ว่าก็มาคิดดูแล้วถ้าไปจบเพียงแค่ตอนที่ห้าท่านนักละลายก็เลยก็จะไม่เข้าใจว่าความประสงค์ในการเล่าเรื่องการตายนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงความประสงค์ในการเล่าเรื่องที่ผมตายมาแล้วถึงห้าตอนความประสงค์ก็มีว่าเพื่อจะให้ท่านได้รับการศึกษาว่าการตายนี่มันตายกันได้จริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องการตายเราก็สามารถที่จะระงรับทุกเวทนาได้ด้วยอนานาจของสมถภ า, ภาวนาและวิปัสนาภาวนา ตอนนี้เป็นผลอ้านหนึ่งที่มีความต้องการในขั้นสุดท้าย แ, แต่ถ้าว่าในระยะต้นที่มีความมุ่งหมาย <c oughs> ก็เพื่อจะแนะนำบรรดาท่านหลายให้รับทราบว่าการเจริญเทือกมาฐานแม้แต่เพียงตอนต้นคือว่าในตอนต้นนั้นผมเป็นเด็กเป็นเด็กเล็ก แล้วก็พระบรรดาท่านแม่ก็สอนได้เพียงคาว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธนี้ดูเหมือนว่าบรรดาท่านที่นักปฏิบัติทั้งหลายบางสายจะมีความรู้สึกว่าตํำเกินไปเพราะผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าเวลานี้ผมปฏิบัติเลยพุโทโธไปแล้ว สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุหนักใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าช่างเถอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ละท่านแต่ละบุคคลจีนั่นในตอนเด็กที่มาบ้านไดน้ท่านแม่ของผมสอนให้คําใช้คำภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำภาวนาว่าพุทโธนี้จะดีจะวิเศษอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าท่านแม่ต้องการให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ได้เห็ ว, ว่าขัดคำสั่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องโดนไม่เร็วดังนั้นคำภาวนาตอนนั้นจึงชื่อว่าเป็นภาวนากันไม่เร็วมากกว่าจิตที่จะประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติกันเวลานี้ยังไม่มี แล้ตอตอบมาในสมัยเมื่อเวลาใกล้จะตายครั้งที่หนึ่งตอนนี้ร่างกายเต็ไมไปด้วยทุกเวทนาอย่างสาหัสเราตอนนี้ท่านทั้งหลายผมต้องการสรุปจะให้ท่านหลานท่านทั้งหลายมีความเข้าใจว่าอาริยสัจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ ชีราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำไปทุกขังเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันหนักอันนี้ผมไม่แปลว่าความตายเป็นทุกข์ถ้ามันตายไปเสีย จ, จริงๆมันก็จะสุขจะทุกข์เราก็ไม่รู้นี่ก่อนจะตายนี่มันทุกข์หนักทุกขเวทนาเบียดเบียนอย่างหนักแม้แต่ผ้านุ่งก็ไม่สามารถจะขะโมวดได้ เข้มไข่กระัตไม่ได้ต่อผ้าวางไว้เฉยๆนี่เป็นอันว่าขันห้าหนี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกเวลานั้นทั้งปวดทั้งเสียดทั้งอืดท่านลองนึกหลับตาดูกันแล้วกันนึกดูว่าการปรวดอาการเสียดอาการอืดอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ และปวดจงกระทั่งแม้แต่ผิวหนังผนังท้องไม่สามารถจะขมวดผ้าลงได้ไม่สามารถจะรักชข้มขัดเบาๆได้ต้องเอาว่าผ้าวางแปะไว้เฉยๆเป็นการป้องกันความอายและนระหว่างนี้เองท่านแม่ของผมก็นำเอาพระพุทธ ร, รูปองค์ที่ผมรักที่สุด เธอเป็นพ ร, <c oughs> พระทองคำพระทองคานี่ผมรักมากแต่ความจริงจะเป็นทองคาล้วนหรือเป็นสีทองคาก็ใช้ได้เพราะต้องการแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระทองคา <c oughs> เป็นทองคาแท้เอามาตั้งไว้ความสวยงามของพระเป็นเครื่องจับใจแล้วท่านแม่ก็บอกแต่เพีงว่าลูกจงภาวนาไว้ คำว่าพุโทโธให้ภาวนาไว้เมื่อภาวนาแล้วพระจะสามารถทําให้ลูกหายจากทุกขเวทนาคือหายจากการปวดท้องได้เมื่อใส่ความเชื่อตอนนี้ความจริงศรัทธานี่มีประโยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เป็นผู้มีศรัทธาผมก็ภาวนาตั้งใจภาวนาแบบจริงจัง แต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าฌานตั้งใจภาวนาให้มันหายเจ็บหายปวดตอนนี้เองขณนะเระาอาศัยจิตตั้งใจจิตตั้งเขาไว้แล้วว่าต้องการจะหายเจ็บหายปวดคิดว่าพระนี่จะช่วยให้หายเจ็บหายปวดได้เลยหายจากทุกขเวทนาได้มันเป็นผลพลอยได้สําหรับท่านผู้เจลาดที่มีการสอนแบบนั้น ถ่าว่าท่านสอนบอกว่าจะให้ไปสวรรค์ปณิพันธ์มันเสร็จไม่มีทางน้อนเด็กไม่มีความเข้าใจเมื่อภาว น, นาไปภาว น, นาไปไอาการปวดก็คลายตัวไปทีละน้อยเดน้อ ย, นอ ย, นอยจนกระทั่งอาการปวดหายไปความจริงมันไม่ได้หายตอนนั้นจิตเป็นสมาธิ นี่ผมอยากจะแนะนำท่านในจุดนี้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆในเรียสั์เมื่อท่านฟังไปแล้วจงเอาใจเข้าไปจับวปในจุดนี้ด้วยว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขยามที่มีชีวิตอยู่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ทุกเกความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกจากความปรารถนาไม่สมหวังทุกจากกิจการงานที่เราจะต้องทำมันทุกไปทุกอย่างและก็ยังแถมทุกจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดให้มันรู้เรื่องได้ด้วยว่าจงจะเจ็บเลยจะปวดเลยนี่มันไม่เคยยอมเป็นอันว่ามันมีทุกจริงขอให้จำไว้ด้วยแต่ว่าทุกตอนนี้ถ้าเราสามารถจ ะ, จะเจริญสมาธิจิตเอากันแบบจริงจังอย่างสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ได้อวดท่านนะเลายฟังทึงว่าผลไม่เข้ามาถึง มันนึกไม่ถึงเลยว่าการเจ็บปวดมันจะหายไปได้เนเมื่อจิตเข้าไปจับอารมณ์พระหรือภาพของพระเพอจิตจับเฉพาะทิตะอย่างเดียวโดยตั้งใจว่าขอพระพุทขอหลวงพ่อจงทาให้ร่างกายเข้าไปเจ้าเนี่หายจากการเจ็บปวดในใช้คำพูนาพุโทโธสักประเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็คลายตัวจากการเจ็บปวดจนกระทั่งไม่ปวด นี่ที่พูดตอนนี้เรก็เป็นการต้องการแนะนําท่านว่าการศึกษาในเรื่อกรรมฐานนะถ้าเราใช้ตามหลักวิชาเราก็ต้องมาพูดกันว่าจริตมีอะไรบ้างจริตของเราอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องบังคับด้วยใช้อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องละนิวรห้า นี่เป็นหลักการแต่ว่าผลแน่งการปฏิบัติเราไม่รู้ไม่ชี้มันซะเลยก็ยังได้มันจะมีจริตว่ายังไงก็ตามจริตอะไรก็ช่างนิวรมันจะมีอะไรก็ช่างไม่สนใจมันซะเลยสนใจมันอย่างเดียวว่าคำภาวนาและการพิจารณาที่เราพอใจเท่านี้แหละนิวรมันก็หนีตเตลิดเปิดเปลืงไปเอง เน่ก็บันดาลจริตทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความหมายใช้อารมณ์ให้มันจริงมันจังก่อนเจ็บไข้ไม่สบายแต่ว่าเวลานั้นก่อนป่วยไข้ไม่สบายนะผมไม่เป็นเรื่องในข้รับคำว่าไม่เป็นเรื่องกับหมายความจะไปทําสมาธิยิ่งตั้งเก้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีจะนั่งคัตมาต์นั่งสมาธิอะไรไม่มีอผมไม่เคยมี เคยจำได้แต่เพียงว่าผมกลัวผีนี่ท่านแม่แต่บอกว่าพุโทโธเนี่กันผีได้ท่านฉนลาดสอนนี่ไม่ใช่หมายความว่าท่านเป็นแม่ผมแล้วก็ท่านยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านมีหลวงพ่อปานเป็นสปอนเซอร์พาแนะนําท่านหลวงพ่อปานท่านสอนมายัางไงท่านก็ว่าไปอย่างนั้นแต่บอกพุโทโธเนี่กันผีได้ผีกลัวพุโทโธอ้าว เวลาเราจะเดินไปไหนกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีก็กลัวไอ้กลางวันก็ยังกลัวมองดีเทินเดินไปคนเดียวในเข้าไปในสวนเข้าไปในทุ่งหางบ้านไปนิดหน่อยเหงืออะไรแตก ก, ก็กลัวผีก็ต้องภาวนาพุทโธตอนนั้นเป็นการภาวนาพุทโธกันผีตอนที่ป่วยหนักๆ เ, เป็นการภาวนาเป็นการภาวนาพุทโธเพื่อให้โรคหาย ความมุ่งหมายไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์จะไปนิพพานตรงนี้ท่านน่าหลายต้องการให้ท่านจำไว้ว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองไหนที่ท่านรักที่สุดที่สอนกันมาแมมผมอยากจะพูดว่าผมสอนแบบน้าท่วมทุ่งพักบุ้งหลงเหลงสอนกันมาซะจนไม่มีที่จะสอน สำหรับจำรามันกม็ม่มีที่สอนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็สอนกันได้ที่สอนกันไปอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจแต่ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเลือกเอาว่าตอนไหนได้ที่ท่านชอบใจเลือกเอาตอนนั้นโดยเฉพาะเท่านี้พอเอาร่มจับเข้าไว้ให้มีการทรงตัวให้จิตทรงสมาธิไม่ยามที่ไม่ป่วยจิตจะมีความสุข อารมณ์ที่จะเป็นอกุศลจะเข้าไม่ถึงเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมันจะสามารถระ ง, งับทุกขเวทนาได้เมื่อทุกขเวทนานระงับไปแล้วจิตใจมันก็เต็มไปด้วยความปลดปลงจิตใจก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นตอนนี้อารมณ์ของสมาธิมันรวมตัวถ้าอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิ เราก็จะเห็นภาพที่ผ่องใสนั่นก็คือภาพของเทวดาบ้างภาพของพรหมบ้างภาพของพระบ้างแต่เรื่องภาพนารกไปเห็นแน่เพราะว่าอารมณ์จิตถ้าเป็นกุศลเสร็จแล้วถึงแม้ว่าตอนก่อนเราจะเลวแสนเลวประการใดก็ตามทีที่องค์สมเด็จพระจินศรีทรงตรัสว่าจิตเตสังขิตเถ ท, ทุกติปาติกังขาย ถ้าจิตเศร้ามองเราก็ไปอบ า, ายภูมิจิตเตอะสังคีตเทศสุขติปฏิการขาถ้าติดจิตไม่เศร้ามองมีอารมณ์ผ่องใสคืออารมณ์ใจของเราเกากุศลก็ไปสู่สุขตินี่จิตเรามันดวงเดียวมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตรับกุศลเข้ามาแล้วกุศลมันก็เข้าไม่ได้ ตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนที่เราจะตายจะสร้างความดีขนาดไหนก็ตามถ้าอารมณ์อกุศลมันเข้าไปเกาะจิตเสียก่อนตายแล้วก็ตายไปในในระหว่างที่จิตเกาะใน อ, อารมณ์ที่เป็นอกุศล <c oughs> เราก็ไปสู่ไบยูมรมดูดตัวอย่างพระนางนวบานางมณีกาเทวีมเหสีเข้ามาเจ้าประสิิ์ในที่โกศน เป็นคนดีแสนดีให้ทานเป็นอย่างมากมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีความเคารพในสามีเป็นอย่างมากแต่ว่าเวลาอยาตายจิตไปเกาะ อ, อารมณ์ที่เกาะเท้าไปกระทบเท้าสามีคนนิดเดียวอารมณ์เศร้าหมองตายแล้วต้องประตกไป น, นรก แต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยสดเองามแต่ขาทั้ง้าที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันของมนุษย์นี่เป็นเพราะอารมณ์เศร้าหมองเมือพ้นเจ็ดวันแล้วเธอก็ไปสู่สวรรค์ยันดาวเดิงสเทวโลกเว้นอนุว่าท่านนังไหลเวลาที่ปฏิบัติกรรมฐานเราไม่ต้องใช้อารมณ์มากก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเวลานี้มันมีจริตอะไรแล้วก็นิวอันอะไรมันมีแค่ไหนช่างมันไม่ต้องสนใจปากใจว่าเฉพาะแต่คำภาวนาและการพิจารณาในด้านสมถกรรมาฐานนวีพัสนกรรมาฐานอย่างเดียวมุ่งจิตจับอย่างนั้นให้ตรงเอากันแบบจริงจังวิธีแบบจริงจังนี้ไม่ใช่นั่งมาให้ใจ จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยีนก็ได้จะเดินก็ไ ด, ด, ได้ให้อารมณ์มันจับไว้โดยเฉพาะจะไปไหนมาไหนอารมณ์จับไว้แบบส บ, สบายๆไม่ใช่ไปเครียดไอแบบเครียดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เคยปฏิบัติเครียดกับใครเขาใช้มัติมาปฏิบัตมใช้ารมแบบอารมณ์แบบสบายๆให้ทรงอารมณ์ไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่สามารถจะบรรเทาหรือทำลายทุกขเวทนาให้พินาศไปได้โดยเราไม่ยอมเสวยทุกขเวทนาเลยในขณะนั้นเลยจุดหนึ่งที่ผมเคยเวนิฉชยอยู่เสมอว่าตามแบบท่านบอกว่าคนจะได้มโนวิธิกรคนดีจะได้ทิฏฐิคุยายคนดีต้องใช้กระ ส, งงสิงกองนั้นใช้กระสิงกองนี้ แต่เนื้อแท้จริงๆในปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กอายุแปดขวบเจ็ดขวบสิบขวบสามารถได้ทิพย์อยู่คุ ย, ยานแบบแจ่มใสโดยไม่ต้องตั้งท่าต่งางงเธอไม่ได้ทำกระสงกระสินนะใครภาวนาว่าพุโทโธก็ภาวนาไปจิงกระแทกกระทั่งได้มโนมยิทธิก็มีเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบในปีนี้มาพบกัน ธอภาวนาเพียงแค่พุโทโธดีสี่ห้านาทีเทคนได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีนิวรณ์อารมณ์ที่จะต้องฆ่านิวรณ์ไม่มีคือเด็กไม่มีกังวลจะมีกินไม่มีกินเธอไม่รู้คิดว่ามันมีกินเสเรื่อยจะมีใช้หรือไม่มีใช้เธอก็ไม่รู้คิดว่ามันมีใช้เรศเพราะผลที่เพิ่งได้มาจากวิดามันได ดังนั้นการภาวนาของเธอว่าพุทโทจึงมีผลได้มโนยิธิในเด็กผู้หญิงสามารถถอดอธิสมานในกายไปในภพต่างๆได้ตามอธัธยาสัยในการไปนี่ก็คือไปจับจุดเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมีพระอยู่หนึ่งองค์พาเที่ยวไปในที่ต่างๆาพูดต้งตอนนี้ ผมก็รู้สึกเสียนได้<ม>วิชามาโนยิทิเรื่อในปีสอนเก้าสอนคนไม่ได้เยอะได้ง่ายๆแต่ต่อมาภายหลังนี้รู้สึกว่าทำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ถ้าวิชานี้เดิใครสามารถจะทำได้ซึ่งเป็นวิชารัดผมก็จะดีใจมากแต่เวลานี้ผมก็ไม่สอนแล้วทั้งนี้เพราะไรมันเหนื่อย มันเหนื่อยทั้งกายทั้งคุมก็ทุกคนดีไม่ดีก็แหมมันก็ใหญ่เหมือนกันเส้นด้ายวิชาความรู้ที่พยายามหามาตอนนี้ก็ยังเหลือวิชาความรู้อีกนิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมโนวิธีพิเศษเหมือนกันแต่นี้เวลาเรียนต้องมีเพื่อนเรียนเพราะว่าถ้าในกอจะไปในขอก็เป็นครูในขอจะไปในกอก็ต้องเป็นครู เรียนหลายๆคนก็ได้แต่ว่ามันไม่สนุกเพราะว่าถ้าทําได้แล้วพอจะไปได้เวลานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นพอจะไปได้ตัวก็ลม้มลงลม้มลงเหมือนคนหลับแล้วก็ไปได้ตามที่จิตตั้งตั้งใจไว้เดิมนี่มันก็ดีสู้แบบก่อนไม่ได้แบบก่อนพูดกันได้ไปทั้งไหนแล้วพบอะไรแล้วคนข้างๆคุยได้ แต่ว่าวิชาหลังนี้มันเหมือนกับคนหลับไปซึ่งคนอื่นรับทราบไม่ได้แต่ก็จะลองลองดูจะลองลองดูสักหน่อยเพราะมันไม่เหนื่อยถ้ามีโอกาสมีท่านลองถ้าทำได้ก็เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการให้ท่านไปเห็นเองได้ด้วยผมไม่อยากจะานั่งจำจีจใชัย บอกไอ้นอนมีอย่างน้นนี่มีอย่างนี้ผมก็แยกอยู่คนเดียวท่านเราไปไม่ได้และบริสุทธิ์ก็ต้องนั่งสงสัยผมไม่ต้องการให้ท่านสงสัยอันนี้ไว้โอกาสหลังนี้เดามาดูกันต่อไปว่าอารมณ์ของผมหลังจากที่ตายไปแล้วครั้งแรกผมก็สามารถจะใช้มนโนมยิทธินี่ผมใช้อะไร ตอนนี้ผมมาสรุปให้ท่านคิดให้ฟังให้ฟังว่าผมใช้อะไรมนโนวิจิติผมก็ว่าผุโทยอย่างเดียวเ็ว่าคุณลุงผู้นั้นท่านบอกว่าหนูถ้ายาจะมาหาลุงมาะไรหนูก็ภาวนาว่าให้ภ า, าวนาว่าพูโทจิตถึงจุดนั้นถ้าไม่ได้บอกว่าจิตถึงฌานสมาบัติ บอกว่าถ้ารมจิตทีงจุดนั้นแล้วหนูจะมาได้ทันทีนี่เพราะสายว่าจิตเคยท่องเที่ยวไปแล้วความเชื่อมั่นมีอยู่ว่าที่นั่นมีจริงถ้ารมที่จุดนั้นมันก็เป็นของไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์รักคือรักสิ่งนั้นว่าเราเคยไปแล้วแลยอยากจะไปหาท่านหลวง เวลาจะไปพวกทำยังไงรู้ไหมพวกก็นอนส่งเด็กเไม่นั่งไม่นืองหรอกใครเขาักอนินนางสมาธินางประเพียนังคาต ม, มาตมแมลเราไม่ได้เรียนมานี่นอนส บ, บายดีนอนไปลมมันตรงจับคำว่ า, าพุโทโธระยะแรกๆก็ใช้เวลาสักสองสามนาทีก็ไปได้แต่ต่อมาไปสักครั้งสองครั้งเท่านี้พอ น, นิปรับไปเลย จิต ม, มีการคล่องตัวที่เรียกกว่านาวสนีการคล่องตัวนี้เพื่ออะไราไปถึงท่านลงทันทีนี่เป็นอันว่าผมคิดว่าที่ท่านสอนว่าต้องใช้กระสินอย่างนั้นอย่างนี้ในมิสุติมัตท่านใช้คําว่าอาธิกบุคคลหมายความคนที่เริ่มต้นที่จะพึงปฏิบัติ ต้องใช้กะสนกนนินก่อง น, นั้นกองนี้แต่นี้คนที่ทําอย่างนั้นไม่ใช่เริ่มตนนีย่ยังผมภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เริ่มตนคื่อทำนี้ก็หมายว่าถ้าอารมณ์สมาธิเราเข้าถึงจุดนั้นจะใช้กสินหรือไม่ใช้กสินก็ตามนี่เด็กสองสามคนที่ผมบอกว่าเวลานี้นะไม่ใช่เวลาไหนเด็กผูช้ชายเจ็ดขวบหนึ่งคน แ้วก็สิขบหนึ่งคนสองคนพี่น้องได้ทั้งทิพย์ปยุขยานและมนโนวยิธิเธอก็ภาวนาว่าพุโทโธเด็กผู้หญิงอายุเจ็ดปีนั่นก็ภาวนาว่าพุโทโธก็เลยผมเองมีความเข้าใจมานานแล้วว่าเรื่องใช้ทิพยุุยานก็ดีมนโนวยิธิก็ดี จะใช้อะไรก็ได้ถ้าสามารถควบคุมกําลังใจให้เข้าถึงสมาธิจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดสามารถทําได้ถ้าสามารถไปได้นี่จุดหนึ่งที่ต้องการสรุปเพเป็นการแนะนําท่านว่าถ้าจะเอาอะไรก็เอากันจริงๆจังๆอย่าสักแต่เพียงว่าทํานี่สําหรับเมื่อผมไปได้แล้วอย่างนั้น ความจริงชาลกีเนี่ยสามารู้กับตอนเป็นพระชาโลกีในเจะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับหลังจากนั้นแล้วมาความเป็นหนุ่มเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ผมไปเที่ยวนรกอยู่ได้เสมอๆผมก็ยังสร้างความระยย้ำอยู่ตลอดเวลาตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่สร้างความระยย้ำ อย่างไปช่วยตำรวจประหัดประหารฆ่าคนร้ายและนอกจากนั้นสิ่งที่บรรดาท่านแม่ก็ดีท่านยายก็ดีที่คิดว่าผมคงจะมไม่ไม่มีโอกาสบวชกับเขาก็คือตัวที่เรื่องอเรื่องที่ผู้หญิงก็มีความเมตตามากบรรดาท่านทหลายท่านสตรีท่านจะมีความเมตตาปราณีจริงๆ คือเรื่องคนรักนี่ไม่ได้จนเลยสมัยนั้นไอเรื่องคนรักไม่จนนี่มันเป็นโทษกาเมเตอนนี้ที่มันก็จอมจอมชัว่วเหมือนกันเนื่อจะไเหเห็นเนียว่าเรื่องชาโลกีถ้าว่าถึงมารายะทรงได้ดีขนาดไหนก็ตาม เมื่ออารมณ์มันปลดจากชานแล้วมันก็สามารถจะน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาใช้อีกจะสามารถจะทําตนให้ลงนรกก็ได้นั่นทั้งๆ ท, ท, ที่ไปดูนรกมาเกือบทุกวันน่ะยังสามารถสร้างความโชดได้ตอนนี้ก็อย่ า, อ ย, าอย่าเตือนท่านทางหลว่าท่านทางหลายจงอย่าหลงไหลเรื่องฤทธิ์เตืองเดชให้มากนะ อย่าปรารถนาความวิเศษในเรื่องชาญโลกีเพราะว่ามันหนีนรกไปคนมันยังสร้างความชั่วยอยู่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆรก็ควรจะมุ่งเข้าไปตัดสังโยชน์สามราการท่านมันใช้เวลาน้อยกว่าดีกว่า ดีกว่าด้วยคือสามารถตัดสังโยชน์สามรการได้อบายภูมิทั้งหมดบาปกรรมใดๆที่เราทำมาแล้วมันก็สลายตัวแต่นี่สาหรับฌานโลกีนี่มันได้ขนาดนั้นยังมันสร้างบาปยิงยิงๆิงแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาที่ควบคุมกำลังจิตจะใช้ท่านมาอะไรมันก็ใช้ได้ทันทีนี่เป็นอันว่าเวลาที่จะใช้อารมณ์นี่มันมีความเข้มแข็ง เพมีความชินมีการเข้องตัวสามารถทำลอยทาลายนิวรที่จะมากัน้นอารมณ์ที่จะไม่ทำให้จิตไม่เข้าไปสู่ฌานนิวรไม่สามารถจะมาได้นี่มันใช้ได้เดียวจะพรา ะ, ะกิตเป็นอนุ่าพผลดีน้อยไปอลไะสำหรับวันนี้การสรุปวันนี้ก็ข อ, อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดแล้วพรุ่งนี้ฟังกันใหม่